ขีและสูตรว่าด้วยก st st ิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูสาประการนี้ก aces, ิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู3ามประการอะไรบ้างคือ 1. กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูคือราคะ 2. กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูคือโทสะ 3. กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูคือโมหะ กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูสาประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์แเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูทั้งสาประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึงขีระสูที่6จบ มละสูตรว่าด้วยมนทินภิกษุทั้งหลายมนทินสามประการนี้มนทินสามประการอะไรบ้างคือ 1. มนทินคือราคะ 2. มนทินคือโทสะ 3. มนทินคือโมหะมนทินสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้ เพื่อความสิ้นไปเพื่อละมนทินทั้งสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนี้ละถึงมลสูตรที่เจ็ดจบแปดนิฆสูตร ว่าด้วยทุกขภิกษุทั้งหลายทุกสามประการนี้ทุกสามประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขคือราคะ 2. ทุกคือโทสะ 3. ทุกขคือโมหะทุกสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรมีองแปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละทุกทั้งสามประการนี้ ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอเริยมมากมีองค์แปดนี้ละถึงนิฆสูตรที่แปดจบเก้าเวทนาสูตรว่าด้วยเวทนาภิกษุทั้งหลาย เวทนาสามประการนี้เวทนาสามประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนาความรู้สึกสุข 2. ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์มอทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกที่มิใช่สุขมิใช่ทุกเวทนาสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไป เพื่อละเวทนาทั้งสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนี้ละถึงเวทนาสูตรที่เก้าจบสิบตันหาสูตรว่าด้วยตันหา ภิกษุทั้งหลายตัณหาความทยานอยาก3าประการนี้ตัณหา3ประการอะไรบ้างคือ 1. กามาตัณหาความทยานอยากในกาม 2. ภวะตัณหาความทยานอยากในภพบ 3. วิภวะตัณหาความทยานอยากในวิภพตัณหา3ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองแ์8เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละตันหาทั้งสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนี้ละถึงอริยมรรคมีองค์แปดเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปนนโวสักขะละถึงแป จเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสัคขะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงจเจริญอริยมรรคมีองค์8ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกาหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละตัณหาทั้งสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงจเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึงตัณหาสูตรที่10บจบ ตาสินาสูตรว่าด้วยตาสินาภิกษุทั้งหลายตาสินาความอยากสามประการนี้ตาสินาสามประการอะไรบ้างคือ 1. กามตาสินาความอยากในกาม 2. ภวะตาสินาความอยากในภพสาวิภวะตาสินาความอยากในวิภพตาสินาสามประการนี้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละตะัศนาทั้งสามประการนี้ละถึงคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันเป็นธรรมมีการคาจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดละถึง 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมะตะเป็นที่สุดละถึงหนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันโน้มไปสูนนนปส่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานละถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงจเจริญอริยมรรคมีองค์8ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละตะัศนาทั้งสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงจเจริญอริยมรรคมีองค์8ดนี้ ละถึงตัศินาสูตรที่11จบเอสนาวักที่13จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. เอสนาสูตร 2. วิทาสูตร 3. อาสวะสูตร 4. ภวะสูตร 5. ทุกตาสูตร 6. ขีละสูตร 7. มลสูตร 8. นีขะสูตร 9. เวทนาสูตร 10. ตันหาสูตร 11. ตัศินาสูตร 14. โอคะวักหมวดว่าด้วยโอคะ 1. โอคะสูตรว่าด้วยโอคะเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโอคะห่วงน้ำสี่ประการนี้โอคะสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กาโมคะโอค ะ, ะคือกาม 2. พโวคะโอคะคือพบ 3. ทิฏโถคะโอคะคือทิฐิ 4. อวิโชคะโอคะคืออวิชาโอคะสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมัคมีองค์ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกาหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอคะทั้งสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมัคมีองค์ดนี้ละถึง พึงเพิ่มข้อความให้พิสดารเหมือนเอสนาสูตรฉะนั้นโอคะสูตรที่หนึ่งจบ 2. โยคะสูตรว่าด้วยโยคะภิกษุทั้งหลายโยคะสภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพ 4ประการนี้โยคะ4ประการอะไรบ้างคือ 1. กามโยคะโยคะคือกรม 2. ภาวะโยคะโยคะคือพบ 3. ทิฏฐิโยคะโยคะคือทิฏฐิ 4. อวิชยาโยคะโยคะคืออวิชาโยคะสประการนี้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโยคะทั้งสีประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึงโยคะสูตรที่สองจบ อุปาทานสูตรว่าด้วยอุปาทานภิกษุทั้งหลายอุปาทานความยึดมั่นสีประการนี้อุปาทานสีประการอะไรบ้างคือ 1. กามุปาทานความยึดมั่นในกาม 2. ทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิสาศีลปตุปาทานความยึดมั่นในศีลพร 4. อัตวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตาอุปทานสีประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุปทานทั้งสีประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึงอุปทา น, นสูตรที่สจบ สคันทะสูตรว่าด้วยคันทะภิกษุทั้งหลายคันทะกิเลสเครื่องผูกมีสประการนี้คันทะสีประการอะไรบ้างคือ 1. อภิชากายะคันทะกิเลสเครื่องผูกกายคืออภิชา 2. พยาบาทกายะคันทะกิเลสเครื่องผูกกายคือพยาบาท 3. าสีและปะตะปรามาสกายคันทะ กิเลสเครื่องผูกกายคือความถือมั่นศีลพล 4. สี่ 4. อิทังสัจจาพินิเวสะกายะคันทะกิเลสเครื่องผูกกายคือความยึดมั่นว่าสิ่งนี้จริงคันทะสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์ปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละคันทะทั้งสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนี้ละถึงขั้นสูตรที่สจบ 5. อนุสยะสูตรว่าด้วยอนุสัยภิกษุทั้งหลาย อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องเจประการนี้อนุใสเจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. กามราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือกามราคะ 2. ปฏิฆานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือปฏิฆะ 3. ทิฏฐานุใสกิเลสที่นอนเนื่องคือทิฏฐิ 4. วิจิกิจชานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือวิจิกิจช้า 5มานานุใสกิเลสที่นอนเนื่องคือมานะ 6. ภวะราคานุใสกิเลสที่นอนเนื่องคือภวะราคะ 7. อวิชานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคืออวิชาอนุใสเจ็ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอนุสัยทั้ง7ประการนี้ ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมัติมีองค์แปดนี้ละถึงอนุสยะสูตรที่หจบ 6. ก, กามคุณ น, นสูตรว่าด้วยกามคุณภิกษุทั้งหลาย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 โคถะพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรานาะน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดกามคุณห้าประการนี้ภิษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละกามคุณทั้งห้าประการนี้ภิษุทั้งหลายภิษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8ดนี้ละถึง การมคุณนสูตรที่หจบ 7. นิวรณสูตรว่าด้วยนิวรนภิกษุทั้งหลายนิวรนสิ่งกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีห้าประการนี้ นิวรห้าประการอะไรบ้างคือ 1. กาแมฉันทะนิวรสิ่งกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีคือความพอใจในกวาม 2. พยาบาทนิวรสิ่งกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีคือความคิดปองร้าย 3. ทีนมิทะนิวรสิ่งกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีคือความหดหู่และเสื่อมซึม 4. อุทจักกุกกุจจนิวร สิ่งกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. วิจิกิจฉานิวร์สิ่งกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีคือความลังเลสงสัยนิวรณ์ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละนิวรณ์ทั้งห้ประการนี้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนี้ละถึงนิวรณสูตรที่7จ็จบแปดอุปาทานขันทสูตรว่าด้วยอุปาทานขันภิกษุทั้งหลาย อุปท า, านขันกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น5ประการนี้อุปท า, านขันห้5ประการอะไรบ้างคือ 1. รู ป, ปูปท า, านขันอุปท า, านขันคือรูป 2. เวทนูปท า, านขันอุปท า, านขันคือเวทนา 3. สัญญูปท า, านขันอุปท า, านขันคือสัญญาสสังขารูปปท า, านขัน อุปาทานขันคือสังขาร5วิญญาณุปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณอุปาทานขันหประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุปาทานขันทั้งหประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึง อุปาทานนักขันทสูตรที่8จบเก้าโอรัมพาคิยสูตรว่าด้วยโอรัมพาคิยสังโยชนิกษุทั้งหลายโอรัมพาคิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำหประการนี้ โอรัมภคิยสังโยชน์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สักกายยทิฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตน 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย 3. สีละพะตะปรามาตความถือมั่นศีลพร 4. กามชันทะความพอใจในกาม 5. พยาบาทความคิดปองร้ายโอรัมภคิยะสังโยชน์ห้าประการนี้ ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมภาขยสังโยชน์ทั้ง5ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึงโอรัมภาขยสูตรที่9จบ อุทธรรมภากิยาสูตรว่าด้วยอุทธรรมภากิยสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายอุทธรรมภากิยาสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูง5ประการนี้อุทธรรมภากิยาสังโยชน์หประการอะไรบ้างคือ 1. รูปปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌานสองอรู ป, ปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌาน 3. ม, มานะความถือตัว 4. อุทจจะความฟุ้งซ่าน 5. อวิชาความไม่รู้แจ้งอุธทธรรมภาคียสังโยชน้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุธทธรรมภาคียสังโยชน์ทั้ง5าประการนี้อริยมรรคมีองค์8ดเป็นอย่างไร คือภิษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอนอาศัยวิเวกละถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงจเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุธรรมภาริยสังโยชน์ทั้ง5ประการนี้ ภิกษุทั้งหลายอุทธรรมภักิยสังโยชน์หประการนี้อุทธรรมภักคิยสังโยชน์หประการอะไรบ้างคือ 1. รูปปราคาสองอรู ป, ปราคะ 3. มานะ 4. อุทัศ จ, จักห้อวิชชาอุทธรรมภักิยสังโยชน์หประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้ เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุด ธ, ธรรมภากคียสังโยชน์ทั้งห้าประการนี้อริยมรรคมีองค์แปดเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิละถึง 8. เจริญสัมมาส ม, มาธิอันเป็นธรรมมีการกำจัดปราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดละถึงอันอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นเบื้องหน้ามีอมะตะเป็นที่สุด ละถึงอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8ดนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธธรรมภักคยสังโยชทั้งห้าประการนี้อุทธธรรมภักคยสูตรที่สิบจบโอคาวักที่สิจบ คมพระสูตรที่มีในวัดนี้คือ 1. โอขสูตร 2. โยขสูตร 3. อุปาทานสูตร 4. คขันธสูตร 5. อนุสยสูตร 6. กามคุณสูตร 7. นีวรณสูตร 8. อุปาทานขันธสูตร 9. โอรัมพาคิยสูตร 10. อุทธรมพาคิยสูตร รวมวักที่มีในสังยุตนี้คือ 1. อวิชชาวักส 2. วิหารวักค์มมิชตะวักสีปฏิปฏิวักห 5. อัญติติยะเปียยานวักหกสุริยะเปียยานวักเ 7. เอกธรรมะเปียยานวักแปดทุติยะเอกธรรมะเปียาลวรกเ 9. คังคาเปยาละวรค 10. ทุติยคังคาปยาลวคส1อัปมาทวรค 12. ภะกรณียวคสิ 13. เอชนาวค 14. โอฆวคมาคะสังยุตที่1จก สองผูชังคะสังยุตหนึ่งปพัพตะวักหมวดว่าด้วยขุนเขาหนึ่งหิมะวันตัดสูตรว่าด้วยขุนเขาหิมะพานเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกนาบอาศัยขุนเขาหิมพานย่อมเติบโตมีกําลังเติบโตมีกําลังแล้วลงสู่น้อง ลงสู่น้องแล้วลงสู่บึงลงสู่บึงแล้วลงสู่แม่น้ำน้อยลงสู่แม่น้ำน้อยแล้วลงสู่แม่น้ำใหญ่ลงสู่แม่น้าใหญ่แล้วลงสู่มหาสมุทรสาคอนนาคเหล่านั้นย่อมถึงความเจริญเติบโตทางกายในมหาสมุทรสาครนั้นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออาศัยศีดลดารงอยู่ในศีลเจริญโพชง ทมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ประการทำโพชฌง7ประการให้มากย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพยบณ์ในธรรมทั้งหลายภิกษุเมื่ออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลเจริญโพชฌง7ประการ ทำโพชฌงเจ็ประการให้มากย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูรในธรรมทั้งหลายอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินนันนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้อันอาศัยวิเวก ค, ความสงัดอาศัยวิราคะความคลายกำนัดอาศัยนิโรธความดับน้อมไปในโวสะะักขะความสละ 2. จเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเฟ้นธรรมละถึง 3. จเจริญวิริยะสัมโพชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร 4. จเจริญปีติสัมโพชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจ 5. จเจริญปสัสสติสัมโพชง ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจ 6. เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่น 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความมีใจเป็นกลางอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่ออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลเจริญโพชฌงเจบประการทำโพชฌงเจบประการให้มากย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูรในธรรมทั้งหลายอย่างนี้แลฮิมวันตสูตรที่หนึ่งจบ 2. กายสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยกายเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายกายนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรห้าประการก็ฉันนั้นเหมือนกันดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ ขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้อาหารของนิวรอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำการมฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำการมฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นคือสุพภนิมิตมีอยู่การทำานาสกการโดยไม่แยกขายในสุพนิมิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำการมฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำกา ร, รมฉันทาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไัยบูญยิ่งขึ้นอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไัยบูญยิ่งขึ้น คือปฏิฆานิมิตมีอยู่การทำานาสิการโดยไม่แยบขายในปฏิฆานิมิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทาพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทาพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้น อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำถีนามิทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำถีนามิทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นคือความไม่ยินดีความเกียดคร้านความเมื่อยขบของร่างกายความเมาอาหารและความที่จิตหดหูมีอยู่การทำอนาจิการโดยไม่แยบคลายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำถีนามิทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไบูรณ์ยิ่งขึ้นอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำอุทจากกุุ จ, จะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำอุทจากกุุ จ, จะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไบูรณ์ยิ่งขึ้น คือความไม่สงบจิตมีอยู่การรรานาสิการโดยไม่แยบคายในความไม่สงบจิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทําอุทจกักกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําอุทจกักขุข จ, จักที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้น ไบรเล่าเป็นอาหารที่ทําวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไัยบูญยิ่งขึ้นคือทําทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่การทรอนาสิการโดยไม่แยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทําวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลาย กายนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรห้าประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้ภิกษุทั้งหลายกายนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดารงอยู่ได้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 อาหารของพชงอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทาสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทาสติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชงมีอยู่การทำานาสการโดยแยบคลายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทาสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำสติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทาธรรมวิจยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทาธรรมวิจยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ คือทมทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลมีโทษและไม่มีโทษเลวและประณีตเป็นฝ่ายดำและฝ่ายขาวมีอยู่การธรรมนัสการโดยแยกคลายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำธรรมวิจยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำธรรมวิจยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ ไรเล่าเป็นอาหารที่ทําวิริยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําวิริยะสมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือความริเริ่มความภาคเพียนความบากบั่นมีอยู่การทํามนัิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทําวิริยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําวิริยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ ไครเล่าเป็นอาหารที่ทำปิติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำปิติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปิติสัมโพชงมีอยู่การทำมนุษการโดยแยกคลายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำปิติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำปิติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ เล่าเป็นอาหารที่ทําปัสสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําปัสสติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือความสงบกายความสงบจิตมีอยู่การทำมนัสสการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทําปัสสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําปัสสติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ เป็นอาหารที่ทาสมาธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทาสมาธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือสมถนิมิตอภยคะนิมิตมีอยู่การทำานาจิการโดยแยบคลายในนิมิตเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทาสมาธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทาสมาธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำอุเบกขาสัมพ่อชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำอุเบกขาสัมพภอชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมพภชงมีอยู่ รรการรรมนศษการโดยแยบคลายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทาอุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทาอุเบกขาสัมโฟชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ภิกษุทั้งหลายกายนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดโพชงเจ็ดประการ น, นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้กายสูตรที่สองจบ